ของรูปขันเราศึกษามาแล้วใช่ไหมในหมวดของอาณาปานาบก็ศึกษาแล้วียาบทบัก็เรียบร้อยไปแล้วสัมปชัญญะบก็จบไปแล้วใช่ไหมปฏิกูลมนณาสิการบก็จบไปแล้วธาตุมนสิการบัก็จบแล้วตอนนี้ขึ้นอะไรปาช้าทั้งเก่าก็ขึ้นไปแล้วเนี่ยสรุปแล้วก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสิบัีบตอนนี้ก็มาขึ้นเลยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในหมวดของหมวดของกายานุปัสสนาก็คือเราศึกษาขันอะไร รูปรขันใช่ไหมศึกษาของรูปรขันตอนนี้มาศึกษาในเรื่องของเวทนานุปัสนาเวทนาสูเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานใช่ไหมบอกว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอวิชชาและทมนัดในโลกเสียดานนั้นตัวเวทนาขันเป็นสัจจอะไรเป็นทุกขสัจจายังไม่ยังทีนี้เวทนาขันเป็นทุกขสัจจามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ มีความเพียรเป็นชื่อของสัมมาวายมะใช่หยสัมมาญาสมัคสมประานะสัมมมีความเพียรมีสติสติตรงนั้นเป็นชื่อของสติปัะฐานใช่ไหมเ่อสติประฐานมีอะไรเป็นปัะาฐานอ๋อล้วบ่กับใจเลยสติปัะฐานนมีอะไรเป็นสติอ่ะเออสติอ่ะน ตัวสติเนี่ยมีอะไรเป็นประทาฐานเกียรติกายลงไามีอะไรมีอะไรนะมีสัญญาอย่างหนึ่งนะแล้วอีกอย่างนึ่งคือกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมใช่ตอบแ่เดียมเลยไม่ใช่กายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมแล้วก็มีสัญญาเออมีสัญญาเป็นประทาฐานเนี่ยคืออย่างนี้อสติมีกี่อย่างสมาสติกับมิจฉาสติใช่ไหะ แต่สติที่เราพึงปรารถนาในการที่จะเจริญกายเวทนาจิตต์เนี่ยมันเป็นสัมมาสติหรือมิจฉาสติสัมมาสติใช่ไหมเราต้องการเจริญสัมมาสติไม่ใช่เจริญมิจฉาสตินะทีนี้จะบอกสติมีสองอย่างเนี่ยถ้าหากว่าสัมมาสติก็คือได้แก่สติเจตสิกที่ในโสบรรณธรรมเนาะนี่เขาเรียกว่าสัมมาสติถ้ามิจฉาสติละองทำได้แก่เอาอะไรดี เอามิจฉาทิถีองค์ทำได้แก่อะไรมิจฉาทิถีองค์ทำได้แก่ทิฐีเจตสิกนะมิจฉาสังกปะ ก, ก็ได้แก่อะไรวิตกที่ในอกุศลเลยนะใช่ไหมใช่เราเรียกมิจฉาสังกปะเอ่มิจฉาสังกปะเขากกดำริในอะไรดีดํำริในการน้อมไปในกาลมาคุณเนี่ยเลยเขาเรียกเขาเมิจฉาสังกปะเลยใช่ไหมกาลมาวิตกพยาบาทวิตกแล้วก็วิหิงสาวิวตกอันนี้ก็เรียกมิจฉาสังกปะ มิจฉาวาจามิจฉากรรมมันตะมิจฉาอาชีวะที่องค์ทำเนี่แก่อะไรดีอ่าวิรติประกอบในะอกุศลได้ยังไงอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของอกุศลนะที่เป็นปัจจัยการเปล่งวาจาที่เป็นปัจจัยเกี่ยวการเปล่งวาจาเกี่ยวการกล่าววาจาเกี่ยวกับารขยับขยื่นเคลื่อนกายแล้วเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนี่นะแล้วก็มิจฉาอาชีวะมิจฉา มิช้าวาจามิช้ากัมมันตะมิช้าอาชิวะมิช้าวายามะนี่คือวิริยะที่ในวกุศลมิจฉาสตินี่ท่านเอาอากุศลจิตตุบาทเอาอากุศลจิตตุบาบาที่เกี่ยวกันในเรื่องการหล ง, ล ง, ล ง, ลงๆหลืมๆหรือว่าจริงๆในการระลึกในทางที่ไม่ชอบอันนี้มีสัญญาเป็นเพริดใกล้ไหมมีนะไม่ใช่เหนะือเห็นไหมว่าสัญญานี่อยากคิดว่าเขาจะเป็นปัจจัยแก่สัมมาสติอย่างเดียวเท่านั้นยังเป็นปัจจัยแก่ มิจฉาสติเป็นต้นด้วยแล้วก็มิจฉาสมาธิก็ความตั้งมั่นในทางที่ผิดพลาดตัวเองยังไงรู้ไหมเคยจําอะไรได้แล้วเราจําแล้วคิดทีไรแล้วเราโกรธเคยไหมไอ้ที่จําแม่นๆเนี่ยล้วแล้วโกรธได้คนคนนี้ยจะไม่เผาหรือบางคนขนาดนั้นเลยนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือมาจากสัญญานั่นเองเป็นประทัดฐานฉะนั้นในการเจริญไอในสติเนี่ยสติที่เป็นไปกับ การพิจารณาเวทนานุปัสนาเนี่ยใ น, นเขาเรียกว่าสัมมาสติแล้วก็สัมปชัญญนะนั่นเป็นชื่อของปัญญาสรุปก็คือว่ามีความเพียรมีเป็นชื่อของวิริยะสมประทานมีสติก็เป็นชื่อของสติเนี่ยนะประธานเนี่ยแล้วก็มีสัมปชัญญนะนั่นเป็นชื่อของปัญญาแล้วก็กำจัดนั่นเป็นชื่อของสัมมาสมาธิสรุปแล้วนี่เป็นมรคแต่เป็นอโลเกียมรคนะ กำจัดอภิชาและโทมนัตเนี่ยอภิชาเนี่ยเป็นชื่อของสมุ ท, ยทัยสัจจท่านจัดให้อย่างนั้นสรุปก็คือว่าเวทานานี่เป็นทุขกขสัจจมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็ตัวสมาธิเป็นต้นที่จัดตามเนติประกรณ์นั้นอนั้นก็เป็นตัวโลคีมรักเป็นมรรคสัตว์ไปอันนี้จัดโดยโดยโดยโลกีนะแล้วก็อภิชาและโทมนัตก็ให้เป็นสมุทยัยสัจจ ปฏิบัติธรที่ให้ถึงนิโรธใช่ไหมถึงเป็นองค์มีความเพียรมีสำประชัญญ่มีสติเป็นต้นเหล่านี้อันนี้ก็เป็นเป็นมัคอยู่แนละสรุปก็คือคนที่จะมาเจริญสติปัฏฐานศึกษาสติปัฏฐานเนี่ยก็ต้องกุศลยกายกรรมวจีกรรมอาชีพต้องบริสุทธ์นะที่เขาฟังแสดงว่านะชาวกุรุรัตเป็นต้นเหล่านี้ยก็มีอุตตูส ป, ปายาบุคคลส ป, ปายาธรรมะส ป, ปายาส ป, ปายาเขาดีมากโดยเฉพาะก็คือว่า ศีรขันอันประเสริฐสมาธิขันอันประเสริฐปัญญาขันอันประเสริฐเขาประชุมลงในกระแสขันได้อย่างเป็นปกติอย่างเราเรานานๆจะได้ทีใช่ไหมี่ยกว่าที่จะทําศีลษขันอันประเสริฐมาประชุมลงอะถามว่าชีวิตหรือว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายกรรมทางวจีกรรมแล้วก็อาชีพที่เป็นไปในชีวิตจริงเนี่ยเออบริสุทธ์เมื่อวานนี้มีโยมท่านหนึ่งนีมานั่งเรือนดานาด้วยเขาบอกเออเนี่ย แค่เป็นคนค่อนข้างที่จะหมุดหนิดแกก็บอกว่ายอมเนี่ยประกอบอาชีพสุจริตมาทั้งชีวิตเลยไม่เคยคดควยโกงใครเลยก็เขาบอก<ช>อย่างเงี้ยอาชีพของยอมเนี่ยจัดว่าเป็นสัมม า, าชีวะได้ไมั้ยอย่างเราศึกษาว่าทำกันมาเลยจะต่อว่าไงจะจัดว่าเป็นสัมม า, าชีวะได้ไมั้ยก็ไม่เคยโกงใครเลยนานมาเขาเอ้ยยอม ในขณะที่ยอมประกอบอาชีพไปเนี่ยเคยขัดแย้งทะเลาะกับใครบ่อยไหมโอ้โหบ่อยมากเลยโดยเฉพาะแต่สามีทะเลาะกันทุกวันใช่ไหมบางทีกําลังทํากิจการการค้าอยู่เราก็เครียดแล้วก็พิจารณาสภาพเลยเ่็น <c oughs> ไหมบางจริงๆเนะี่ยโดยรูปแบบเนี่ยใช่อาชีพในบริสุทธิ์แต่โดยโดยพฤติดเห็นไหมโดยนิตนะินัยเนี่ยใช่นะแต่โดยพฤติกรรมเนะี่ยไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้ใช่ไหม สัมมาอาชีวะเนี่ยสัมมาอาชีวะเนี่ยก็แปลว่าการกระทําที่เว้นจากกายทุตเจริศสามวจีทุจริศสี่ใช่ไหมและอาชีวะก็บริสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นสรุปแล้วก็คือว่าในขณะที่เราการที่จะขยับขยื่อนเคลื่อนกายเนี่ยใช่ไหมที่มีการคู่เข้าเหยียดออกมีการเดินการยืนการนั่งการนอนการคู่การเหยียดการก้มการเงยเนี่ยนะ การมองตรงการแลรตร ง, ตรงแคร์เหลียวเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องทางกายนะะใช่ไหมใช่ยอมเคยถะลึงตามองลูกค้าบ้างไหมใช่ไหมทะลึงตา ม, มอ ง, มม ง, มมองด้วยความโกรธเนี่ยเคยก็ว่าอ้าวอันนี้เป็นกุศลหรือเปล่ากุศลหรือเปล่อกุอศลเลยใช่ไหมเอาเคยมองคนด้วยความโลภไหมมองแล้วอุ้ยชอบติดใจจริงๆอีกเลยนะเขาบอกไอ้เป็นยังไงก็อ้าวยอมมี ถามว่าเนี่ยไงคื อ, ค, อคือแกเป็นแม่ของของพระเนี่ยที่ที่มาอยู่แต่ น, นี่ไงถามมาเมื่อสามสิบเมื่อสี่สิบปีที่แล้วถ้ายมไม่มองด้วยความรักความปราดแนาๆยอมจะมีลูกมาบวชนั่นไงใช่ไหมเพราะอาศัยสายตาใช่ไหมถึงทําถึงมองแล้วเกิดราคะใช่ไหมใช่เนีถึงบอกว่าถ้าหากว่าเราเจริญกุศลไม่ไม่ถูกเนี่ยแม้กระทั้งใช้าาาสายตาใช่ไหม ถามว่าทําไมพระบรมศาสดาพระโพธิศัสตร์ของเราจึงงามไม่กระทั่งตาพระเนตรของพระองค์งามมากใช่ไหมพระองค์ไม่เคยถึงตามองใครนะไม่เคยใช้สายตาไปทําบาปไม่เคยมองค้อนใครไม่เคยมองใครด้วยหางตาเนี่ยเวลาจะมองก็มีเมตตาที่เป็นไปกับการมองการแลการเหลียวเนี่ยดูอย่างที่พระนันธาที่เราศึกษาในสมบัติชัญญะบาปใช่ไหมพระนันธาเนี่ยเวลาจะมองทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เนี่ย ทิศเฉียงทั้งทิศเบื้องบนและเบื้องต่ำเพราะนั้นท้าก็จะมานัศิการในใจก่อนว่าบาปอากุศลธรรธมอันลามกจะเกิดขึ้นในกระแสขันของเราหรือไม่หนอเนี่ยถ้าหากว่าเรามองไปทางทิศ ต, ตะวันออกแล้วเนี่ยใช่ไม้มอภิชาและโทมาัะตลอดถึงบาปอากุศลธรรธมอันลามกจะไหลท่วมทับกระแสกิต ท, ท่านไหมถ้าหากมันจะเกิดขึ้นท่านจักไม่มองไปในทางทิศนั้นเด็ดขาดนั่นคืออะไรรู้ไหมนั่นคือท่านทําอะไรสำใบชั ญ, ญญาในการ แปลกาเหลียวชีวิตจริงๆทำได้นะลืมตัวทุกทีเนะวลาจะมองไปแต่ละทีเอา้าลืมเจอแล้วเรียบร้อยนะจัดแจงเรียบร้อยแนละ้วเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะขยับขยื่นเคลื่อนกายได้ น, ะนั้นมันเคลื่อนด้วยจิตกี่ดวงดียี่สิบดวงใช่ไหมกุศลสิบสองกับมหากุศลและจิตแปดก็ในชีวิตประจาวันของเราเราใช้โลภะโทสะโมหะกับใช้มากุศลนี้อันไหนคร่องกว่ากัน ในกล อ, อันในคล้องแก้วก็เยอะขึ้นไหมไอ้บุญส่วนคล่องก่อนะอันนี้มันเขามาเตือนเราเนาะอัฏฐะตรงนั้นเขาบอกอะไรเราอัฏฐะตรงนั้นที่เรากําลังเห็นคนอื่นกําลังมองจ้องหน้ากันทะเลาะกันหรือว่ามีความขัดแย้งการกล่าวคําส่อเสียเป็นต้ น, ะนาะไรเนี่ยอัฏถะที่เขาแสดงให้เราเห็นเขาบอกอะไรเขาบอกว่าจำได้ แต่ก่อนเนี่ยบอกงั้นนะแต่ก่อนเราก็เป็นเหมือนท่านนี่แหละไม่ค่อยทะเลาะกับใคร Le. แต่ท่านดูข้าพเจ้านี่สิบอกงั้นนะเนี่ยเขาดูข้าพเจ้าปัจจุบันนี่ข้าพเจ้าเลื้อเรือนหมดแล้วใครมาว่านิดหน่อยข้าพเจ้าก็เถียงตลอดเวลาเลยแล้วต้องการจะเอาชนะเขาด้วยคําพูดบังด้วการกระทาเป็นต้นเนี่ยแต่ท่านอย่าลืมนะบอกงั้นนะท่านก็นยังไม่พ้นที่จะต้องเป็นเราเนี่ยเคยคิดอาัตถาข้อนี้ออกั้มเหมือนเราเห็นคนแก่นะก็ต้องอ่านอัตถาของคนแก่ให้ออกนะ เขางกเงิ น, งนเขานอนจมเหรือว่าในเขาขนาะเขาเจ็บป่วยเนี่ยนะเขานอนจมอยู่กองอุจละภัสาวะอะไรเป็นต้นเหรอเนี้ยถ้าอ่านอัฏฐานตรงนี้ไม่ออกนี้เราหลงระริงนั่นดีนะแต่เราอ่านอัฏฐาออกอเขาบอกอะไรเราวันก่อนที่บอกว่าไปเจอคนที่เขาแต่ก่อนเขาเคยรับรางวัลยศวัเท์เลยเขาบอนเนี่ยนี่ไปดูนี่ยอมนี่ชื่อลุงทันเหมือนกันนะเป็นเกษตรกรดีเด่นเคยรับรางวัลดีเด่นจายศวัฒน์เลยอาลมาก็ไปยอมตอนนั้นไปอยู่ที่นครสวรรค์ก็ไป พอเพืปฏิบัติไปเจริญกุศลกันเลยนะอา้าวในข่าวรู้จักก็เลยไปดูกันหน่อยที่ไหนได้แก่ไม่ทักเรา แ, แล้วเดินวนบ้านอยู่นั่นเดินวนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พูดอยู่คนเดียวอยงนั้นนี่เห็นไนกะ็เป็นคนแต่ก่อนโอโ้โหเรื่องพระนี่เอาใจใส่ดูแลมากเวลาไปนี่เหม่จะต้องมาคอยดูแลมาเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาแต่ตอนเนี้ยแกตัวแกเองกมันดูแลไม่ได้กันนะ้ เดินบนบ้านอยู่ตลอดเวลาจําชื่อใครก็ไม่ได้ร้องไห้ตลอดเวลาใครทักนิดหน่อยร้องไห้เป็นเด็กไปแล้วจาใครก็ไม่ได้อย่าว่าแต่จําใครก็ไม่ได้นะจําชื่อตัวเองก็ไม่ได้ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไปเดินอยู่ข้างถนนแล้วก็พูดไปอย่างนั้นยอมสมอง น, นี่ทำไมอาจารย์ไม่อยู่อย่างนี้นะ <c oughs> ไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมจ๊ะถ้าอาุปสรกรรมมันจัดให้ผลนี่นะ ถ้ามันประเภทที่อากุศลกรรมค่อนข้างแร ง, งๆเราก็พร้อมที่จะเดินออกนอกบ้านแล้วก็ไปเดินอยู่กลางถนนปล่อยผมเผ่าลกลุงลังผิวหนังเกล็ดเดือนอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนไปเห็นก็กประพากันโอ้แต่ก่อนเป็นคนดีนะเป็นคนใจบุญนะแต่ปัจจุบันอาถานั้นท่านสอนอะไรเราท่านสอนว่าแต่ก่อนข้าพเจ้าก็เป็นคนไม่ประมาทแล้วรางวันอะไรข้าพเจ้าก็ได้รับมาหมดคนอื่นยกย่อกมาแต่โดยการใช่ไหม มาปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายดูเข้าพเจ้าดิออชื่อของตอนเองก็จําไม่ได้จะจะให้เ อ, อจะบําเพ็ญทา น, นาากุศลศีลกุศลภาวนากุศลอย่างเก่าก่ไม่ได้แล้ววันนั้นแต่ท่านอย่าประมาณนะนี่ที่ท้าพระเจ้าเป็นอย่างนี้เพระเาะข้าพเจ้ายังไม่พ้นจากการโกรธใช่ไหมยังไม่พ้นจากชาติทิฐุกไงชร า, าทุกพญาทิฐุกมันจึงกระตามาถึงข้าพเจ้าจนได้ว่าวนั้นนะแม้ท่านเองท่านลองไปดูที่ว่านั้ น, นท่านในตัดเชื่อการโกรธได้ยังถ้ายังไม่ได้ ท่าก็อย่าไปเบอกใจนะว่าท่านจะพ้นจากการเป็นอย่างข้าพเจ้าอ่านอัฏฐ ต, ตรงนี้ออกไหมโยมถ้าอ่านออกก็อ่านออกแล้วอ่านเสร็จแล้วก็อยู่เฉยๆเลยทาอะไรต่อทำอะไรต่ อ, อ, ตอถ้าอ่านอัฏฐะนี่เราก็ต้องบําเพ็ญแล้วแหละศีลขันธ์อันประเสริฐสมาธิขันธ์อันะเสริยแล้วก็ปัญญาขันธ์อันประเสริยรใช่ไหมก็จะต้องศึกษาในที่นั้นเป็นเชื่อของการที่จะน้อมนํา สินสมาธิปัญญาอันประเสริฐนั้นเข้าสู่กระแสขันก่อนตนนี้เอะลร ว, วันนี้เข้าสู่ในเวทนานุปนะัสนาณ์ฝาลบนานวินในเวทนานุปัสนาในครั้งที่แล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของพิจารณาในเรื่องของเวทนานุปัสนาอีกในยะหนึ่งหน้าสนะิบสามแล้วอวิชาเกิด อวิชชาเกิดเวทนาเกิดอวิชชาดับเวทนาดับตัะหาเกิดเวทนาเกิดตัะหนัดับเวทนาดับกรรมเกิดเวทนาเกิดกรรมดับเวทนาดับเพ่อผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดพ่อผัสสะดับเวทนาก็ดับเห็นลักษณะในความเกิดของเวทนาก็เรียกนิปติลักษณะก็เห็นความดับของเวทนาก็เรียกวิปริณามลลักษณะดังนี้ชื่อว่ามีปกติพิจารณาเห็นธรรมโดยความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งหลายอยู่ หรือมีปกติพิจาราเห็นธรรมมือความเสื่อมในเวทนาทั้งหลายอยู่มีปกติพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมของเวทนาทั้งหลายตามการนี่นงะอย่างนี้ก็ว่าอันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าเวทนามีอยู่ก็เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลก ดูการพิสูจทั้งหลายแม้อย่างนี้พิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ข้งที่แล้วจบไปอยังตอนนี้ที่สาธยายมาตรงนี้จบแล้วเนี่ยจบเลยนะอขอความเห็นหน่อยพี่อวิชชาเกิดเวทนากเกิดเป็นไงดีที่จริงการเห็นเห็นการเกิดการดับของเวทนาเนี่ยเห็นสองอย่างนะเห็นโดยปัจจัยกับเห็นโดยเห็นโดยอะไรเห็นโดยขณะ ถ้าเห็นโดยปัจจัยเนะ่ะที่เขาบอกว่าเห็นโดยประจักษ์เห็นโดยประจักษ์นั้นแปลว่าท่านเห็นเห็นปัจจัยของเวทนาที่จริงปัจจัยของเวทนาดังที่ได้กล่าวในครั้งที่แล้วใช่ไหมปัจัยของเวทนาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่อวิอวิชาตัญหากรรมหรือผักศะหรือนิพติลักษณะของเวทนาเท่านั้นยะถามว่าในในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราก็ดูตามหลักของปฏิจจสมุปบาทพอจะไล่ได้นะเวทนามีอะไรเป็นปัจจัย มีผัสสะเป็นปัจจัยนี่อันนี้เขาเรียกเหตุใกล้ของเวทนาเนียทีนี้เวทนาเกิดได้กี่ทางเนี่ยมีพระมีพระกับคารวะเขาเขาถกกันนะในพระไตรปิฎกพระท่านก็บอกเวทนามีสองคือเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจแต่พระก็บอกเอะคารวะาก็บอกเออเท่าที่ข้าพรเจ้าได้ฟังมาเนี่ยเวทนามีสามนะ คุอขเวทนาทุกเวทนาและทุกกรมโสขเวทนาเนี่ยเด็กๆเนี่ยถกกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยลองกันไม่ได้นักเข้าก็คือพระท่านบระนร น, นก็นําเรื่องนี้ไปกล่าวทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาใครถูกเวทนาสองหรือเวทนาสองเวทนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนะั้นเป็นวิพัชวาที พระองค์ตัดเวทนาเป็นอนเนกไหมจากขูสัมผัสชาวเวทนามีไม่มีมีเนะาะโสตสัมผัสชาวเวทนาคานะสัมผัสชาวเวทนาชิวหาสัมผัสชาวเวทนากายาสัมผัสชาวเวทนาแล้วก็มโนสัมผัสชาวเวทนาเวทนาเกิดการเกิดจากทางการประชุมกันทางทวารตาได้ไหมอาศัยตาและลูกเกิดจากขูวิญญาณการประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษา เพราะภาษาเป็นปจัจจัยเจนเกิดเวทนาเกิดทุกวันนะ ม, มีการประชมเวทนาทางตาทุกวันหรือเปล่าทุกวันเลยเนาะวันนี้ไปชมกันไปกี่ครั้งเรจะจําไดนะ้ชีวิตจริงไหมเนี่ยเกิดในชีวิตจริงเลยนะเห็นรูปเห็นเห็นภาพเห็นสีอะไรมาเยอะไหมนับได้ไหมไปถึงพันสีไหมวันนี้ที่เห็นบานบานบานบานมานโอ้ยมากเลยนะผ่านบางคนอุ้ยผ่านม า, นอ า, น ม, ามองมาเนี่ย นั่งรถจากที่วัดมากว่ายจะมาถึงเนี่ยโอ้โสีผ่านตะวันตามามาเมรู้เท่าไหร่แล้วก็มีการไปชมลงหมดเลยนะอาศัยตาอาศัยสีนะอาศัยจักขคู่วิญญาณเนี่ยทำสามอย่างไปชมกันก็เป็นจักขคูสัมผัสจักขคู่สัมผัสแล้วไอ้จักขคู่สัมผัสก็เป็นไปใจจัยเกิจักรคู่สัมผัผสผสชาวเวทนาเป็นทุกขเวทนาได้ั้มได้ไม่ได้ทุกขเวทนาก็ได้สุขเวทนาได้ไไดั้มเป็นอทุกขสมมาสุขเวทนาก็ได้นะ ทีนี้เวทภาษาเป็นปัจจัยกับเวทนานในฐานะเป็นสาชาติชาติหรือเป็นอารมณา์ชาติหรือเป็นปตูปัจจุยชาติเอาชาติไหนดีเอาชาติไหนดีเอาชาตินี้ดีเอาชาตินี้ดีเอาถ้าหากว่าในในจักขูในจกันจกขูวิญ ญ, ญาณนี่นะจักขูวิญ ญ, ญาณจิตสองเนอะมีเวทนาอะไรประกอบสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขามาสุขเวทนาเอาเลย อุเบกขาเวทนาใช่ไหมฉะนั้นในขณะนั้นเป็นอุเบกขาเวทนาแต่แต่เวทนาในจักรวิญญาณเนี่ยเขาเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนาในในชาวนาได้ไหมเป็นปัจจัยแก่สมนัตเวทนาในชาวนะได้ไหยเป็นปัจจัยแก่อุเบกขาเวทนาในชาวนาได้เป็นปัจจัยแก่อกุศลเวทนาได้ไหมเป็นปัจจัยแก่กุศลเวทนาได้ไหมเป็นปัจจัยแก่อัพยาะตะเวทนาได้หรือไม่ได้ ได้ไม่ได้ปัญญาเท่าโวทเทนาเนี่ยเป็น <out> ต <of words> ัวอาวชนะไหมโวทรทนานี <out of words> ่เ <out> ป <of words> ็นเวทนาเลยเป็น <out> อ <of history> ุเบกขาเวทนาใช่ไหมเป็นอุเบกขาเวทนางั้นในกรณีที่ถ้าชาวนาได้แล้วใช่ไหมถ้าชาวนะบางทีเนี่ยถ้าหากว่าเป็นหรือตถาลำหน้าที่เกิดต่อจากชาวนะจิตก็ได้เป็นตัวก็ก็เป็น ก็เป็นอัพยากตะเวทนาก็ได้นี่สรุปแล้วก็คือว่าเห็นไหมเวทนาทางตานี่นะที่ที่จากจากการประชุมกันของภาษาภาษาก็เป็นปัจจัยเกิดทุกเวทนาก็ได้เป็นโทมนานต์ได้เลยอยู่เป็นโทมานต์เวทนาเกิดโทสะใช่ไหมพอโทสะเกิดขึ้นไงตอนนี้ก็ยุ่งแล้วลงสู่ทางมโนทวารยิ่งหนักใหญ่เลยตอนี้โทมนานต์เวทนาเกิดก็ได้อุเบคาเวทนาที่เป็นโลภะก็ได้ใช่ไหมที่เป็นโมหะก็ได้ อุเบกขาเวทนาที่เป็นกุศลก็ได้สมณสเวทนาที่เป็นโลภะก็ได้ที่เป็นมหากุศลก็ได้เป็นต้นอะไรเนี้ยเห็นไหมเวทนาอย่างเดียวเนี่ยในการประชุมกันทางทวารตาทั้งหลายเกิดปัจจัยเกิดบุญและเกิดบาไดไปไปด้ใช่ไหมนี่ผัสสะเป็นปัจจัยเก่เวทนาทางทวารตาทางทวารหูใช่ไหมล้วก็ฟังเสียงขึ้นมาตั้งแต่พอลืมตาตื่นขึ้นมาพอมีความรู้สึกพบเนี่ยก็เสียงก็มาประชุมกันแล้วทางทวารหูใช่ไหม ก็เป็นปัจจัยเกิดสมนัสบ้างโทมนัสบ้างแล้วก็เบรขาเวทนาบ้างเป็นทั้งกุศลเวทนาและอกุศลเวทนาใช่ไหมก็เป็นกันมาอย่างเนี้ยทีนี้ชีวิตที่ขาดโยนิโสมนสิการในการที่จะพิจารณาไตรตรองใตรควรในการที่จะละบาปวันก่อนเออไม่ใช่เมื่อก่อนยะมานี่ยนะมีพระอยู่รูปนึงนั่นไปปฏิบัติท่านปฏิบัติอยู่ที่เชียงใหม่ท่านก็บอกว่ามีพระท่านบรรยายว่า เออการการเจริญกุศลเนี่ยการเจริญกุศลเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าความโลภเกิดขึ้นเนี่ยราคะความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินเกิดขึ้นถ้าถ้าไปปฏิบัติแบบปฏิเสธเช่นไปเจริญอสุภาษกรรมฐานก็ดีเนะไปเจริญอสุภาษกรรมฐานหรือไปพยายามผลักดันเนี่ยเพื่อให้ไม่ให้โลภะมันเข้ามาสู่กระแสจิตเนี่ย การปฏิบัติในลักษณะนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ตรงแล้วก็เออฟันแป ล, ง, ปลงดีเหมือนกันทีนี้เวลาโทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะเราจะไปเจริญเมตตาก็ดีไปให้ควรตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทเวทาวิตาคสูตรนะแต่ท่านไม่ได้ยกสูตรท่านพูดในลักษณะว่าเราจะไปเจริญเมตตาเป็นต้นเหล่านี้ไปทําอย่างนี้ไม่ถูกหรือไปผลักดันไม่ให้โทสะเกิดอันนี้ไม่ถูกเป็นต้นในนี้นะก็ไล่ไปตามลําดับ ถ้าท่าบอกว่าถ้าหากว่าโลภะเกิดขึ้นราคะเกิดขึ้นก็ให้เพ่งก็หมายความเลยให้ดูว่างหมแล้วถามอาจารย์มาว่าการปฏิบัติการปฏิบัติแบบนี้ใช้ได้ไหมอาจามาก็เลยบอกว่าอือย่าไปบอกว่าใช้ได้หรือไม่ใช้ได้นะก็หนึ่งคำพูดของท่านผูดด้ใดเนี่ยท่านไม่ตรงตามที่พระผู้มีพระาเจา้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นตรัสมันเป็นมันเป็นตัวของท่านเองที่ท่านจะต้องไปเปลื้องตัวเองถ้าท่านเปลื้องตัวเองไม่ได้ ท่านเสียหายเองใช่ไหมเพราะเพราะเป็นคําพูดที่อย่างนี้ถือว่าขาดอะไรนะขาดพพุทธพจน์เยอะเยอะมากเลยถ้ายกตรงไหนมานี่นะขาดคําพูดของพระพุทธเจ้าด้วยขาดคําพูดของท่านพระอาารรม迦ทาย์ทั้งหลายเป็นต้นด้วยไม่ต้องอะไรถ้าเราดูใ น, ด, ในดูในธรมนนนะนธรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยดูในในดูในนิวรณ์บอกพระพุทธเจ้าตัดดูก่อนปิกสู ท, ทั้งหลายใช่ไหม พิสูจน์พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอย่างไรเล่าพิสูจในพระธรรมวินัยนี้เป็นตัวนึ่งนะฮะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์หอย่างไรเล่าภิสูจในพระธรรมวินัยนี้เมื่อการมาฉันทามีอยู่นะภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าการมฉันทามีอยู่นะภายในจิตเนี่ยเมื่อการมาฉันท่าไม่มีอยู่นะภายในจิตก็รู้ชัดว่าการมฉันท่ไม่มีอยู่นภายในจิตอันหนึ่งการมาฉันท่าที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย กามฉันทาที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยและกรารมฉันทาที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยทีนี้ถ้าเราอ่านแค่ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดเนี่ยเราเราเสียหายเลยเสียหายตรงไหนรู้ไหมเสียหายตรงที่ว่าไอ้การมฉันทาเนี่ย กรมฉันทาที่มีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ชัดว่ากรรมฉันทามีอยู่หน้าภายในจิตตรงนั้นน่ะเออเข้าให้ดูยังไงท่านให้ดูในลักษณะเออท่านให้ใกล้ควรยังไงท่านให้ใกล้ควรบอกว่ากามฉันทานี่นะพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตเนี่ยมีอยู่หน้าภายในจิตย่อมรู้ชัดว่ากรรมฉันทามีอยู่หน้าภายในจิตเป็นต้นหลไรเนี้ยคําว่าสันตังมีอยู่แต้แก่มีอยู่โดยการเกิดขึ้นเนื้องเนื้อเข้าใจใช่ไหม กามาันท้ที่มันเกิดมาเป็นอัตยาสายัยมันเกิดบ่อยๆเนี่ยก็เรียวกว่ามีอยู่แปลว่าหม้มันเกิดขึ้นแล้วเราจัดการเข้าไม่ได้สักทีเลยเนี่ยนี่เขาเกกรียกวการมาชันท้คือความยินดีความเพลิดเพลินความพอใจทั้งหลายเนี่ยที่มันความติดข้องทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนะอยู่มีอยู่นภายในจิตเนี่ยนั่นเขาเรียกมีอยู่อาสันตังไม่มีอยู่ได้แก่ไม่มีโดยประการไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีอยู่เฉพาะหรือละได้แล้วในเรื่อไม่มีอยู่ คำว่ยะถาจะได้แก่โดยประการใดๆเนี่ยหรือประการใดท่านอธิบายว่าการมชันท่าเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดย่อมรู้ชัดเหตุนั้นก็คือตันจากประชานาติเนี่ยก็แปลย่อมรู้ชัดจริงๆเลยทีนี้ท่านก็บอกว่าการทําไว้ในใจโดยไม่แยกคายไม่แยกคายท่านเป็นชื่อของอะไรอะโยนิโสมนัสิการในไหนในสุภานิมิตอะไรคือสุภานิมิต คือสิ่งที่ดีงามอารมณ์ที่ดีงามเขาเรียกสุภานิมิตหมดเลยเช่นว่าเออผมงามผิวงามตางามจมูกงามเล็บงามผ้างามใช่ไหมเก้าอี้งามบ้านงามตึกงามรถงามเนี่ยเห็นอะไรงามๆทั้งหมดอันนี้เป็นอะไรเป็นสุภานิมิตที่เป็นปัจจัยเกิดละเกิดการมาฉันทะนี่เขาเรียกว่าอายนิสโสมนัิการฉะนั้นการทําโดยในใจไม่แยกคายเนี่ย คือการทําไว้ในใจโดยไม่ถูกทางไม่ถูกทางคืออะไรทำไว้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่ไม่งามว่างามสิ่งที่มันเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่ไม่เป็นไม่เป็นที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอตตาเนี่ยฉะนั้นการทําไว้ในใจโดยไม่แยกใครให้มากในสุภานิมิตเป็นต้นเหล่าเนี้ยการมาฉันทะเขาจะย่อมเกิดขึ้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในกำบีสังยึดว่าไงบอกว่าดูก่รพริกสุทั้งหลายสุภานิมิตมีอยู่นะ การทําให้มากซึ่งอโยนิสมานาสิการในสุภานิมิตนี้เป็นอาหารนี้เป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งการบัญชาท่าที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อความไปบูุญเพื่อความพินโยภาพเ พ, เพื่อความไปบุญแห่งการบัญชาทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปผิดแน่นอนใช่ไหมอันนี้ผิดเนี่ยการที่ห้ามห้ามใส่ใจในอสุภะนิมิตเนี่ยผิด ผิดพุทธพจน์หนึ่งผิดพุทธพจน์ในในไหนรู้ผิดพุทธพจน์ในทเวทาวิตกสูสองผิดพุทธพจนาาพพ์ในสังยุตตะนิกายเป็นต้นไอต้ตรงนี้ถ้าท่านผูดด้ใดกล่าวอย่างนั้นเราอย่าไปว่าท่านเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะจำค่าเคลื่อนแต่ว่าเราต้องมามณสิกาหนึ่งอย่าอย่าโทรมนะัสใช่ไหม กการที่เราได้ยินอย่างนั้นแต่ให้มาใคร่ควรดูก่อนว่าเหมือนอามาพูดไปเนี่ยไข่ควรว่าเออท่านอาจารย์รูปนี้หรือพระรูปนี้ที่ท่านมากล่าวพระธรรมนั้นตรงตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่อย่างที่อามายกตัวอย่างใช่ไหมที่ไปมีฤาษีที่มาอยู่ที่กุฏิที่เขามามานั่งปฏิบัติข้างๆกุฏิพระแล้วไปถามแล้วพูดได้หมดเลยพูดไกล้เว้ดนะจิตทำก็ได้แต่ท่านมีปฏิบัติในการเพ่งพระทิศตลอดวันอย่างนี้นะ แล้วก็มีปฏิบัติปฏิบัติหรือว่ามีมีทิศทีแบบหรือสีเงี้ยถ้าหากว่าเราไม่รู้วิธีทำของพระพุทธเจ้าเราก็จะแยกแยะไม่ได้ฉะนั้นอย่าอย่าแปลกใจถ้าหากว่าจะมีจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้การทําไว้ในใจโดยแยกคายในโยนิสมานิสการโดยอุบายอันแยกคายโดยถูกทางนะทําไว้ในใจว่าไม่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยง ทำไว้ในใจว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าไม่ใช่ตัวตวนว่าเป็นอนัตตาเนในสิ่งที่ไม่งามว่าไม่งามเนี่ยในประโยชน์าวาจรทําไว้ในใจในลักษณะนี้ก็าบอกดูกรภิกษุทั้งหลายอาสุภานินมิตมีอยู่การทําให้มากซึ่งโยนิสมนัสิการในอาสุภานิมิตอันนี้เป็นอะไรเป็นอาหารอันนี้เป็นปัจจัยเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งกรรมมชันทาที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อละกามมชันทาที่เกิดขึ้นแล้วแนี่จะว่าไงใช่ไหม ท่านบอกว่าถ้ากามฉันทะเกิดขึ้นในใจการทําให้มากในอสุภนิมิตก็แปลว่าไปพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่งามต้องทําให้มากและทําให้เสมอทําให้บ่อยๆทําให้ต่อเนื่องทําให้เนืองเนืองเนี่ยถ้าทําอย่างนี้แล้วจะป้องกันการมฉันทะไม่ให้เกิดหรือถ้ากามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะละได้อันนี้เป็นพุทธพจนะ์เนาะ เออเป็นพุทธคุเราก็ต้องต้องถ้าท่านถามเราเราก็ตอบท่านไปนี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วแล้วแล้วเรามาปฏิบัติแล้วได้ผลเราต้อบอกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราอ่านอย่างเดียวแต่ไม่เคยปฏิบัตินิยมกันใช่ไหมต้องเคยมาปฏิบัติเอายอมสมานลองไปเพ่งอลองเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจนี่ไม่ไล่ดูดคลายไหมอัธ라อย่างนั้นก็ตะว่าโดยสีโดยสันฐานโดย เลยกลิ่นโดยที่เกิดโดยโอกาสเ น, ะะ น, นาะโดยบริเฉท่าตเนี่ยเราไปไปไล่ไปสาทยายคิดว่ายังจะยังจะเห็นผมว่างามไหมเอาถ้าไปไข้ควรเออผมนี่เกิดจากกรรมก็มีในชะ่ไหมเกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตตุ ก, ก็มีเกิดจากอาหารก็ดีเนี่ยเกิดผมที่ปักลงไปในหนังศีรษะเนี่ยเกิดจากกรรมกี่สมุทฐานนะเนาะเกยดกายยับท่าศักขละลาบก็มีภาวะท่าศักรละราบกรราาม็มีได้ยี่สิบเล้วนะ อันนี้ก็ยจากจิตแต่ชักระาบอีกแปดอุตุชักระาบอีกแปดอาหารชักกะาบอีกแปดทลายในรวมเบสเซทเลสี่สิบสี่รูปใช่ไหมถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ถามว่าเราเห็นอาหารของเห็นปัจจัยของผมไหมเห็นปัจจัยของผมจเจือเนื้าผมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆใช่ไหมพิจารณาอย่างไงก็ไม่เป็นอุจจาระที่ถีพิจารณาไปเหอะประชุมลงในส่วจริงก็ปัจจัยของผมเที่ยงหรือไม่เที่ยง